Thank you. พุทธนุชาตอนพันธุละกับพระราชาวันหนึ่งขณะที่พันธุละกับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุละ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 อาวุโสธรรมดาว่าความอดทนของปุถุชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมาและจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกดขี่ทารุณจะมีความชอกช้ำและขมขื่นใดเล่าเสมอด้วยการไม่ได้รับความยุติธรรมอยุติธรรมนั้นจะถูกจดจําฝังใจของผู้ได้รับไปตลอดชีวิต นักขึ้นที่ไรมันเหมือนปลายห อ, อกขวางอยู่ที่อกแต่ผู้เป็นใหญ่ที่จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็คือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการแสวงหาความสุขสำราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระาศาสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทาชั่วและความกลัวต่อผลอันเผ็ดร้อนของความชั่ว สองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุขโอกาสสำหรับการทำชั่วนั้นย่อมมีอยู่เสมอสำหรับผู้ขาดธรรมปราศจากธรรมพระาศาสดาตรัสว่าเมื่อฝูงโคกำลังว่ายข้ามน้ำถ้าโคนายฝูงนำดีโคทั้งหลายก็จะปลอดภัยขึ้นสู่ท่าที่ถูกต้องไม่ถูกน้ำพัดไป แต่ถ้าโคนายฝูงนำไม่ดีโคทั้งหลายย่อมเดือดร้อนได้รับอันตรายฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นผู้ใดถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะถ้าเขาตั้งอยู่ในธรรมซื่อสัตย์สุจริตประชาชนผู้เดินตามก็น่าจะตั้งอยู่ในธรรมและซื่อสัตย์สุจริตด้วยรัฐจะมีความสุขถ้าผู้เป็นใหญ่ประพฤติธรรมท่านพันธุละสนาบาดี แม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยควางแต่เมื่อประชาชนขอร้องท่านก็ต้องทำและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่งทำเจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทรัพย์ทำผู้ทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโห่ร้องขึ้นเอึ่งขนนึงจนได้ยินถึงพระเจ้าประเสณที่โกศล พระองค์ตรัสถามเรื่องราวทรงทราบความแล้วทรงโสมนัจยิ่งะจึงทรงตั้งท่านพันธุละไว้ในตำแหน่งผู้วิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เรื่องร้ายในโรงมินิฉัยสงบเรียบร้อยตลอดมาแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีมีศัตรูเหมือนกันและคนที่เป็นศัตรูของคนดีนั้นก็คือคนร้ายเมื่อคณะผู้วิพากษาผู้กินสินบนชุดเก่าถูกถอดออกก็โกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุลักษณ์ยิ่งมหาชนเคารพยกย่องท่านพันธุลักษณ์มากเท่าใดรคนพวกนั้นก็ยิ่งเกลียดชังท่านพันธุลักษณ์มากขึ้นเท่านั้น ความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่นเป็นความเกลียดชังที่พอจะระงับได้บ้างแต่ความเกลียดชังที่มีแรงฤทิสยาผสมอยู่ด้วยนั้นจะคอยเรืองเ้าให้บุคคลหาช่องทางทำลายผู้ที่ตนเกลียดชังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คณะผู้พิพากษาชุดนั้นจึงพยายามยุแย่ให้พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เกลียดชังท่านพันธุละโดยคาดหมายว่ายังไงเสีย เรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าประสิท์ที่โกศลและก็เป็นจริงสมคเีเรื่องที่ยุแย่ให้เกลียชังก็คือเรื่องรัชสมบัติพันธุละต้องการจะแย่งรัชสมบัติดูก่อนท่านผู้สือบอริยวงพระอ น, นุกล่าวต่อไปเรื่องใดเราจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว่าสามีอันเป็นที่รักของตน แบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูกยามเกียรติว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับโคจสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นว่าร่วมสังวาสกับนางพังเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแม่งูยิ่งไปกว่าถูกช่วงชินไข่และเรื่องใดเล่า จะร้ายแรงสําหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งรัชสมบัติอาบุโสด้วยเหตุนี้พระเจ้าประเสณที่โกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุละขกะบฏก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุละทันทีพระองค์ประสงค์จะยืนมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าท่านพันธุละจึงกุกข่าวขึ้นว่าตัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุ่มหนึ่งกำลเริบใจ เที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมพระองคทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุละเสนาบดีเมื่อท่านพันธุละพร้อมด้วยบุตรสาสิบสองคนเตรียมเดินทางไปปัดจันทรชนมบทนั่นเองนางมาลิการู้สึกสังหรใจอย่างบอกไม่ถูกพี่ คนอื่นในเมืองสาวัตถีเนี่ยไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่านพันธุละนะ่ะนางถามอย่างกังวลเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การเราก็ต้องไปท่านพันธุละพูดอย่างเครียดทำไมเรื่องโจรล่นชาวบ้านเท่านี้เองอ่ะจะต้องสั่งเสนาบดีไปปราเพียงแค่ตำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่นางมาลิกาทวงน้องรัต ที่ว่าพระองค์ส่งพี่ไปปราบโจรนี่ยแม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่น่ยสมควรจะปราบควายเปรี่ยวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็จะต้องไปยิ่งกว่านั้นถ้าพระองค์จะส่งพี่ไปต่อสู้กับความตายพี่ก็ต้องไปพระราชานเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเรานเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงต้องการเมื่อไรเราก็ต้องถวายทันที แต่น้องรู้สึกสังหรณใจยังไงพี่กน์อ่ะพี่เคยจากน้องไปราชการอยู่เสมอไม่ใช่ไม่เคยไปน้องะไม่เคยสังหรณ์แล้วก็วมตกกังวลเหมือนครั้งนี้เลยพี่ไม่ไปไม่ได้หรือไงนางพั่มพลางกอดเอวของสนาบดีเอาไว้พี่ก็บอกน้องแล้วว่าเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การอ่ะพี่ก็ต้องคาตามคงไม่เป็นไรหรอกอย่า ก, กังวลไปเลย อ้าวแล้วทำไมต้องเอาลูกๆไปทั้งหมดด้วยล่ะลูกไม่ต้องไปไม่ได้หรือไงนี่ก็เป็นพระบรมราชาองค์การอีกเหกเมือนกันแหละเมื่อนึกถึงลูกท่านชนาบดีก็มีสีหน้าหม่นหมองลงแต่ก็กลับแช่มชื่นขึ้ น, นอย่างเดิมในช่วงเวลาเล็กน้อยถ้างั้นน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยกีรต์เป็นเรื่อของพี่แล้วก็ลูกๆเท่านั้นอาวุโสพระอนุ์เล่าต่อ ท่านพันธุละนะ่ะพูดเหมือนรู้ล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานางมาลิกาสังหรใจเป็นความสังหรณที่มีเหตุผลอย่างมากทีเดียวพาราดรความสังหรใจของสตรีนั้นมักจะมีมูลเหตุเสมอสภาพดวงจิตของสตรีนะ่ะวันไหวง่ายดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นลับได้ง่ายเหมือนน้ําตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วประสาทที่หกของคน ไวต่ออารมณ์อันเร่นลับเสมออภิโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุละออกปราบโจรด้วยตนเองโจรที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไปความจริงโจรพวกนี้เนี่ยก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าเปรตที่ทรงแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทำร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าเปรตที่แต่งตั้งไว ให้ไปในกระบวนของท่านพันธุละได้ลอบฆ่าท่านเสนาบดีและลูกๆทั้งหมดท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุละจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าประเสณิฐที่นะแต่ข้าพระเจ้าคิดว่าท่านพันธุล ะ, ะเป็นเสนาบดีใจสิงหัดพลากบ้านเมืองมาและก็หวังจะพึ่งร่วมเงาของเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่า ก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมตายซะดีกว่าอันหนึ่งตามเขาเรื่องถ้าท่านพันธุละปราถนารสจสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถจิงเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กรตัญยูเนี่ยทำให้ท่านยอมตายดีกว่าที่จะทำการอสัตต์กระตัญยูพระเจ้าประสทินั้นเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นกรรษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกันเบาด้วย ข้าพระเจ้าไม่ปร่งใจเชื่อเลยว่าท่านพันธุละจะไม่ทราบเป็นแผนจานของพระเจ้าประสิทธิไปสุ่รูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุละเสนาบดีพระอนนท์นิ่งอึ้งอย่างตรึกตรองท่านมองมือไปข้างหน้าอย่างไรจุดหมายทุกคนเงียบทุกคนคิดนิ่งและนานอาภุโสพระพุทธอนุชากล่าวขึ้น ในที่สุดพระเจ้าประสิทธิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุลักษ์ไม่ได้คิดแย่งรัชสมบัติเลยทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในรัชสมบัติไม่ได้แต่ขวาจะทรงรู้พระองค์ก็เมื่อได้เสียคนดีไปอย่างจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วและสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุลั์มากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสาคัญสาคัญ ซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองอวสุคนสอพรอนั้นนอกจากหาความสุขให้แก่ตนไม่ได้แล้วยังก่อความยุ่งยากแก่คนบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้เขาแสดงอาการพิหนอดพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสียจนออกหน้าออกตาและเหมือนแซงทําม เมื่อใดมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับเจ้านายเขาก็เริ่มลงมือทับผมความดีของเพื่อนและคุยเกียวความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นมาเสนอนายคนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั้นแต่ก็ดูเหมือนจะซอกแซกอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ฉะนั้นเลยท่านพันธุลาจะต้องตาอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจ พระ อ, อนุนพูดจบแล้วบอกลาพิสุเหล่านั้นถแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ตอนหนาป่ากระโดลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนาวรณญาณ ทรงสละละทิ้งสังขารอันประกอบขึ้นเหมือนสัมภาระที่ใช้สอยเช่นควียนเป็นต้นเข้าสู่มหาปรินิพานอันบรมสุขกเกษมสารจากความทรมานทั้งปวงแล้วพระอนนท์พุทธอนุชาซึ่งบัดนี้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าก็จารยกไปในที่ต่างๆโดยโดดเดียวเดียวได้จากแคว้นสู่แคว้น จากราชธานีสู่ราชธานีและบทจรสู่คามิคมชนบทต่างๆเพื่อแสวงหาความวิเวกบ้างเพื่อโปรดให้ประชานิกนดำรงในคุณธรรมสัมมาปฏบิบัติบ้างเป็นเวลาสี่สิบปีหลังพุทธปรินิพพานสมัยหนึ่งพระพุทธอนุชาออกจากสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ ถึงลำน้ำยมุนาเดินเลียบลำน้ำนี้ลงตอนใต้อันเป็นที่ตั้งแห่งโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสัต์อันวันครโกสัมพีนี้รุ่งเรืองด้วยศิลปวิชาการมากลายนอกจากนี้ยังเป็นย่านกลางแห่งการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างโกศลมคธและเมืองผ่านต่างๆทางใต้และทางตะวันออกอีกด้วย ลำน้ำยมุนาอันสวยงามตระการยิ่งนักนั้นก็ไหลมาจากแดนอันขจร น, น้มแต่การไกลสมัยมหาภารตายุทธ์นั่นคือฮัสดินปุระนครซึ่งปรากรหักพังแล้วและท่วมท้นทุ่งกุรุซึ่งปานดบและเคารพได้ทำสงครามเพื่อจิงชัยความเป็นใหญ่กันความงามของนครโกสัมพี ย่อมติดตาเตือนใจของอาคารตุกัดผู้มาเยือนไปตลอดชีวิตจากฝั่งยมุนาจะเห็นกำแพงประการบ้านเรือนสลับสล่างเป็นเชิงชั้นลดหลานกันย่อดจากปราสาทแห่งอุทเทนราต น, นเมื่อต้องแสงสุริยายามจะอัสดงก็ส่องแสงเหมือนมีอาทิตย์อยู่หลายดวงการสัญจรทางเรือคับข้างมีเรือน้อยใหญ่ประดับธงทิวสีต่าง ดูงดงามเมื่อพระอานนท์มาถึงใกล้นครโกสัมพีนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วทุ่งสาลีเกษตรยามต้องแสงอาทิตย์ในสายันหกการมองดูประหนึ่งปูลาดด้วยแผ่นทองพระพายํำเพยเพียงแผ่เบาต้องกายพระมหาเถรก่อให้เกิดความชุ่มเย็นเชกมารดารูปคํำบุตรสุดที่รักด้วยใจถนอม น้ำเบื้องบนก้อนเมฆสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวลอยละลี้วตามแรงลมมองดูเป็นสีม่วงสลับฟ้าตราการตายิ่งหนักพระผู้เป็นพระหูสูดหาได้มุ่งเข้าสู่เขตนครโคสัมพีไม่ท่านต้องการสแสวงหาที่สงัดและณที่นั้นแห่งใดเล่าจะสงัดเท่าป่าไม้ประดู่ลายเพราะฉะนั้นพระมหาเถระจึงเยื้องย่างด้วยลักษณะอันหน่าทัศนา เข้าสู่ป่านั้นด้วยหัตัยที่แช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระอาทิตย์อัสดงไม่นานดวงจันทร์แจ่มจรัสก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ด้านตะวันออกป่าประดูล่ลายเงียบสงัดมังเวงเหมาะสำหรับผู้สแสวงหาวิเวกอย่างแท้จริงเนื่องจากมีพิสุแวะเวียนมาพักอยู่เสมอป่านี้จึงมีเสนาสนะน้อยๆ อ, อ, อยู่หลายหลังสาหรับพักอาศัย หลังหนึ่งอยู่ได้เพียงผู้เดียวพระเถระเลือกได้กระท่อมหลังหนึ่งเมื่อปูราดนิสีธนะลงแล้วก็นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ตลอดปฐมยามแห่งลาตรีและพักผ่อนเมื่อกึ่งมัชชิมยยามล่วงไปแล้ว จุสกาลแสงสีขาวทางทิศตะวันออกเริ่มทาบขอบฟ้าจากทิศเหนือตลอดไปทางทิศใต้ลมรุ่งอรุณพัดเฉยจิวเสียงกาซึ่งเพิ่งออกจากรวงรังเพื่อสแสวงพักษาหานบินผ่านป่าประดู่ลายพร้อมด้วยเสียงร้องกากาบริเวณป่าประดู่ลายยังคงเงียบสงัด ได้ยินแต่เพียงเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเป็นครั้งคราวพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐเดินวนเวียนมาอยู่หน้ากระท่อมน้อยโดยอาการที่เรียกกันว่าเดินจงกรมเพื่อพิจารณาหัวข้อธรรมท้องฟ้าสางแล้วแสงสว่างสาดไปทั่วบริเวณไพรโน้มน้อมมานัดแห่งพระอ น, นุ์ให้แจ่มใสชื่นบานท่านเตรียมนุ่งอันตรวาสุก และกรองอุตราสงเป็นปริมนทนเรียบร้อยถือบาทเข้าสู่นครโกสัมพีเพื่อบินธบาตมีผู้คอยดักถวายอาหารแก่มุนีอยู่เป็นแห่งๆสมณศกากยบุตรเป็นที่คุ้นตาของประชาชนชาวโกสัมพีแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระตถาคตเจ้าเสด็จเข้าสู่นครโกสัมพีเป็นครั้งแรกเมื่อพระอานนท์ได้อาหารพอสมควรแล้วท่านก็เดินดุม่มมุ่งเข้าสู่ป่าประดูลายตามเดิม ฉันอาหารตามที่ประชาชนศรัทธาถวายด้วยอาการแห่งสามีบริโภคอันเป็นแบบอย่างแห่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายเสร็จแล้วท่านก็ยับยั้งอยู่ณที่นั้นโดวยวิหารธรรมอันประเสริฐจนกระทั่งวัฒนะฉายาการพระอาทิตย์โคจรผ่านกึ่งกลางฟ้าไปแล้วเงาไม้ประดู่ลายที่อยู่โดดเดี่ยวทอดยาวไปทางทิศตะวันออกบรรยากาศรื่นรมสงบ มองแกะอนาคาริกะมุนีไพิสู่ร์โรพหนึ่ง ร่างกายสูงใหญ่มีสง่าเดินเข้ามาสู่ป่าอันเงียบสงบนี้เมื่อท่านผ่านมาทางพระอานน์นั่งอยู่เห็นเป็นสมณะแบบเดียวกันจึงเข้าไปหาด้วยอาการแห่งมิตรแต่ท่านหาได้รู้จักพระอานนทไม่ท่านผู้ทรงครลดภิกษุรูปนั้นกล่าวขึ้นข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะพบท่านผู้ใดในป่าอันวิเวกแห่งนี้ ท่านคงมุ่งสแสวงสันติวรบทเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจึงมานั่งอยู่หน้าที่นี้แต่ผู้เดียวนะ่ะท่านผู้บมเพญตะบะพระอานนท์ตอบข้าพเจ้าทราบจากเครื่องนุ่งห่มและบริขารอื่นๆที่ติดตัวท่านมาว่าท่านนะ่ะเป็นสมณะแบบเดียวกับข้าพเจ้าสมณะแบบเรานี้นะ่ะมีพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาด้วยกันกอบพระผู้มีพระภาคองค์นั้น ตรัดไว้ไม่ใช่รู้ว่าความวิเวกเป็นสหายอันตรเสิรฐท่านผู้ทรงพระพิสุรูปนั้นกล่าวขึ้นพระธำรมดัชนี้นะ่ะช่างเป็นพระพุทธภาสิทธิที่กระตุ้นตือนเร่งร้าวให้พุทธสาวกพอใจในวิเวกเสนีกระไรขอประทานโทษเถอะจากลักษณะอาการและคำกล่าวของท่านเนี่ยข้าพเจ้าพออนุมานได้ว่าท่านนะคงจะมาสู่ธรรมวินัยนี้นานแล้ว ส่วนข้าพเจ้าเองน่ะแม้จะมีอายุเหยียบย่างเข้าสู่วัยชรามาหลายปีแล้วกว่าตามเถอะแต่ข้าพเจ้าเพิ่งจะอุปสมบทอุทิศพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่นานมา น, นี้เองคือเมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะบวชได้หบรภษาเท่านั้นอาโสพระอนนท์เปลี่ยนคําแทนชื่อของพิสุกรูปนั้น ข้าพระเจ้าอุปสมบทในสมัยที่พระตถาคตยังทรงพระชนอยู่และได้เห็นได้เฝ้าพระองค์เสมอๆข้าพระเจ้าถือเป็นลาบอันประเสริฐที่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคม่ใช่แต่ข้าพระเจ้าเท่านั้นใครๆก็ปรารถนาที่จะได้เข้าเฝ้าและก็สนทนาด้วยพระองค์เป็นผู้สูงสุดอย่างแท้จริง แสดงอาการสนใจอย่างเห็นได้ชัดและมีในตาวาวด้วยปีติพร้อมด้วยกล่าวว่าท่านผู้ทรงพระข้าพระเจ้านับปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาเหลือกเกินที่จะทราบพระพุทธจริยาโดยละเอียดจากผู้ซึ่งเคยเข้าเฝ้าเคยฟังธรรมของพระศาสดาทำยังไงข้าพระเจ้าจึงจะได้บรรลุผลสำเร็จแห่งความปรารถนานั้นแต่ก่อนอื่นเนี่ย ข้าพระเจ้าปรารถนาใคร่ทราบนามของท่านผู้โชคดีพอเป็นเครื่องประดับความรู้ไว้ก่อนส่วนข้าพระเจ้าเองนะ่ะมีนามว่ากัมโพชะชื่อเดียวกับแขวนที่ข้าพระเจ้าเกิดซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปท่านเองก็คงทราบว่าแขวนกัมโพชะนะ่ะมีชื่อเสียงที่สุดเรื่องพันม้าดีพระอานนต์นิ่งอยู่ครู่หนึ่งหาได้ตอบคำถามของพระกัมโพชะทันทีไม่ท่านกําลังตึกตรองว่า ควรจะบอกนามของท่านแก่ภิกษุรูปนี้หรือไม่หนอะภิกษุรูปนี้นะ่ะมีความเลื่อมใสในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งกระหายใคร้ฟังพระพุทธจริยาและเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์ภิกษุรูปนี้นะ่ะคงจะต้องเคยได้ยินเกียรติคุณของท่านในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งกับพระศาสดาถ้าเธอทราบนามของท่านแล้วนี่และได้ฟังพุทธจริยาบางตอนจากท่านเอง คงจะเพิ่มพูมปิติปราโมทแก่เธอหาน้อยไม่อาจจะเป็นทางให้เธอได้ธรรมจักรสุในมิชานี้เมื่อคิดถึงประโยชน์ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งแล้วพระพุทธอนุชาสุโกธนบุตรจึงกล่าวว่าพระดาข้าพระเจ้านะ่ะยินดีจะเล่าพุทธจริยาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์บางประการบางตอนให้ท่านฟังเท่าที่ข้าพระเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองบ้าง ที่พระศาสดาโปรดประธานเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบ้างอันหนึ่งข้อที่ท่านอยากทราบตามของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าบอกท่านได้แต่เพียงว่าเมื่อข้าพเจ้ายังครองคารวาสอยู่พระยาติวงเรียกข้าพเจ้าว่าเจ้าชายอนันท์และเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วเพื่อนพรมจารีเรียกข้าพเจ้าพระอนันทะพระศาสดาเรียกอนนท์ อานนท์อยู่เสมอๆล่ะพอพระมหาเถระกราจบลงพระกมโพชะมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วอาการแห่งปีติซาบซ่านก็เข้ามาแทนที่ท่านลุกขึ้นนั่งประโยงประนมมือกราบลงแทบบาธทมูนของพระอานนท์ศพศีรษะอยู่นิ่งและนานเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธอนุชาสังเกตเห็นน้าตา เออเบ้าตาของพิสุผู้อยู่ในวัยชรารูปนั้นนั่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งปีติกาโมดอันลังไลาจากความรู้สึกที่ลึกซึง้งและปรากฏออกมาทางกลัดชกายและแล้วพระกัมโพชะ ก, ก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ไม่ลหลงไหลในบ่วงมานเป็นลาบอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าที่ได้มาพบท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐ เหมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าข้าพระเจ้าเดินทางมาหลายเมืองด้วยจุดประสงค์ที่จะได้พบและสนทนากับท่านข้าพระเจ้าทราบว่าท่านเดินทางมาโกสัมพีข้าพระเจ้าก็ติดตามมาแต่ก็หาได้รู้จักท่านใหม่แม้จะสนทนาอยู่กับท่านที่กระหายใคร่พบอยู่ตลอดเวลาก็ตามโอ้ช่างเป็นลาบของข้าพระเจ้าเสียนี่กระไร ออปมาเหมือนลูกโคซึ่งเที่ยวติดตามหาแม่ในป่ากว้างและก็ได้พบแม่สมประสงค์ความรู้สึกของลูกโคนั้นเป็นฉันใดความรู้สึกของข้าพเจ้าก็เป็นฉันนั้นแล้วพระก ร, รมโพชะก็กราบลงแทบบาทจมูนของพระอนนท์อีกครั้งหนึ่งช่างเถอผู้มีอายุพระอนนท์กล่าวเรื่องของข้าพเจ้านะไม่มีความสาคัญเท่าเรื่องของพระาศาสดาหรอก อันหนึ่งท่านบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแม้จะนิพพานไปแล้วก็ตามแต่เรื่องของพระองค์ยังเป็นเครื่องเพิ่มภูมิปิติปราโมทแก่ผู้สดับอยู่เสมอท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่าถึงพุทธจริยาบางตอนเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และประคับประคองศรทัทธาภาษาธะข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังเป็นปฏิการแก่ความปรารถนาดีของท่านและพระอนุนก็กล่าวสืบต่อไปว่า ก่อนพราราหน้าตาไม้ประดูลายนี้เองสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ด้วยหมู่พิสุนับจํานวนร้อยพระองค์หยิบใบไม้มากำพระหัตหนึ่งแล้วตรัสถามพิสุทั้งหลายว่าใบาไม้ในกำพระหัตของพระองค์กับใบไม้ในป่านี้ทั้งหมดยังไหนจะมากกว่ากันเมื่อพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าใบาไม้ในปา่า มีมากกว่าเหลือหลายใบไม้ในกรรมพระหัตถ์มีน้อยนิดเดียวเพราะพุทธองค์จึงตรัสว่าฉันเดียวกันนั่นแหละภิกษุทั้งหลายทำที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายนั้นเพียงเล็กน้อยเหมือนใบไม้ในกรรมมือของเราส่วนธรรมที่เรายังไม่ได้แสดงมีมากหลายเหมือนใบไม้ในป่าภิกษุทั้งหลาย ทำไมเราจึงไม่แสดงสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจอีกมากหลายละ่ะพิสษจทั้งหลายเราตถาคตแสดงแต่ธรรมที่จำเป็นเพื่อระงับดับทุกข์เท่านั้นสิ่งนอกจากนี้รู้ไปก็ทำให้เสียเวลาเปล่าพิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งมีพิสุรูปหนึ่งเข้ามาหาเราและถามปัญหาสิบข้อขอให้เราแก้ปัญหาข้อข้องใจนั้น ถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้คลายสงสัยเขาจะละเพศพรหมจรรย์ปัญหาสิบข้อนั้นล้วนเป็นปัญหาที่ไร้สาระไม่เปลี่ยนไปเพื่อระ ง, งับดับทุกข์รู้แล้วก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเช่นปัญหาว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดตายแล้วเกิดหรือไม่ต่งนี้เป็นต้นเราไม่ยอมแก้ปัญหานั้นพิสุจ์ทั้งหลาย เรากล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าอย่าว่าแต่เธอจะละเพศพระมจาจันเลยแม้เธอจะตายไปต่อหน้าต่อตาเราเราก็หายอมแก้ปัญหาเหล่านั้นของเธอไม่ภิกษุทั้งหลายปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนคือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบอยู่ทั้งทางกายและทางใจ อุปมาเหมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งกำลทราบ้วยยาพิษแล้วญาติไม่เห็นเข้าเกิดความการุณาจึงพยายามจะช่วยกันถอนลูกศร น, นั้นแต่บุรุษผู้โง่เขลาบอกว่าต้องไปเสือให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากทิศไหนลูกศรทำด้ไม้อะไรแล้วจึงจะค่อยมาถอนลูกศร อ, ออกให้สุ่ทั้งหลายบุรุษผู้นั้น จะต้องตายซะก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอนลูกศร อ, ออกเสิทันทีชำระแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาและรักษาแผลให้หายสนิทหรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศรีรษะควรรีบดับเสโดยพลันไม่ควรเที่ยววิ่งหาผู้คนเอาไฟมาเผาศีรษะตนทั้งทั้งที่ไฟลุกไหม้อยู่ พิสุจทั้งหลายสังสารวัฏนี้โพลงอยู่ได้เพลิงทุกานาประการหมให้ร้อนอยู่ทั่วสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ในกองทุกแห่งสังสารวัฏนี้ใครเราจะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกแห่งตนอุปมาเหมือนบุุษสตรีผู้รวมกันอยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึง่งและต่างคนต่างถือดุนไฟใหญ่อันไฟลุกโพลงอยู่ทั่วแล้ว ต่างคนต่างก็วิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนะั้นและร้องกันว่าร้อนร้อนที่สุดทั้งหลายคราวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดร้องบอกให้ทุกๆคนทิ้งดุ่นไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุ่นไฟก็ได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงวิ่งถือดุ่นไฟพร้อมด้วยร้องตะโกนว่าร้อนร้อนอยู่นั่นเอง พิสุททั้งหลายเราตถาคตได้ทิ้งดุนไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสด้วยดุนไฟที่กล่าวถึงนี้ก็คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผาล่นสัตว์ให้เร่าร้อนกระวนกระวายพิสุททั้งหลายอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหกก็คือรูปเสียง กลิ่นรสโพธพภะและธรมารมเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างภิกษุทั้งหลายเราตาขากดไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะใดๆที่จะครอบงำลึงรัดใจของบุรุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและโพธพภะแห่งสตรี ภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพใดๆที่สามารถครอบงามรัดเรืองใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและโพธิภพแห่งบุรุษภิกษุทั้งหลายกามคุณนี้เรากล่าวว่าเป็นยื่อแห่งมารเป็นภูงดอกไม้แห่งมารเป็นกําลังพลแห่งมาร ภิกษุผู้ปรารถนาจะประหารมารพึงสลัดยือแห่งมารขยี้พวงดอกไม้แห่งมารและทำลายกำลังพลแห่งมารเสียภิกษุทั้งหลายเราเคยเย่ะเยอะกามคุณณนะโพธิมณฑลในวันที่เราตัดสรู้นั้นเองว่ารู้ก่อนการเราได้เห็นต้นขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเอง เราจะไม่ดำ m ริถึงเจ้าอีกด้วยประการนี้กามเอ่ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ ก่อนพระดาพระอานน์กล่าวต่อไปครั้งนั้นณป่าไม้ประดู่ลายนี้มิสุจมนวนมากได้ดวงตาเห็นธรรมและอริยคุณสูงสูงขึ้นไปด้วยพระพุทธภาสิทธิ์อันลึกซึ้งจับใจนี้พระองค์ทรงใช้อุปมาอุปไมยอันคมคาแยบยนและขมวดพระธรรมเทศนาให้เห็นจุดเด่นที่ทรงประสงค์เหมือนนายช่างผู้ฉลาด เมื่อจะสร้างปราสาทหรือกูตาคารย่อมจะลงรากปราสาทนั้นให้แน่นหนาและวางเสาอันมั่นคงและสร้างเรือนยอดตะล่อมขึ้นให้ยอดเด่นเห็นสง่างามรุ่งเรืองด้วยพระธรรมเทศนาโกศลแห่งพระทศพลวิมลอนาวรณญาณอันหาใครเปรียบปาลามิได้ในสามภพดูก่อนอคันตุ ก, กะนักรุงโกสัมพีนี้เอง พระตถาคตเจ้าเคยประทับรอยพระบาทคือพระพุทธจริยาอันประเสริฐไว้สำหรับให้คนภายหลังถือเป็นยี่ยงอย่างดำเนินตามคือสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงโกสัมพีและสำราญพระอริยบทอยู่นโคสิตารามตอนเช้าพระพุทธองค์จะเสด็จออกบินธบาทมีประชาชนผู้เลื่อมใสคอยดักถวายเป็นทิวแถว แต่ก็มีกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งคอยตามด่าว่ากระทบกระแทกเสียสีอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระองค์เสด็จกลับโคสิตารามก็ตามไปด่าถึงพระกทักกูดีด้วยอกโกสวัสถุสิประการเช่นเป็นโคเป็นลาเป็นอูดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเรื่องนี้มีเบื้องหลังคือสมัยหนึ่งก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่นานนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสู่แคว้นกรุ ณที่นั้นมีหมู่บ้านพราหมณ์อยู่แห่งหนึง่งพรามณในบ้านมีทิดาสาวทรงสิริโสภาคย่างน่ก น, นามว่ามาคันธิยาความ ง, งามแห่งนางระบือไปทั่วชายหนุ่มผู้มั่งคั่งต่างเดินทางโดยเควียร์บ้างโดยรถม้าบ้างมาสู่มาคันธิยะคามนี้เพื่อทัศนามาคันธิยานารีบางคนก็แต่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ แต่พรามณผู้บิดายังมองไม่เห็นใครเหมาะสมแก่ธิดาของตนจึงยังไม่ยอมยกให้ใครมาคันธิยาเป็นที่กล่าวขวัญถึงแห่งปวงชนชาวกรุอย่างแคร่หลายจนเมื่อธิดาของสกุลใดเกิดใหม่ผู้ท้าผู้แก่มักจะให้พรว่าขอให้สวยเหมือนมาคันธิยารู้ก่อนอคันตุ ก, กัแต่ท่านต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าความงามกับอันตรายนั้นมักจะมาด้วยกันเสมอ ที่ใดมีความงามที่นั้นย่อมมีอันตรายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดแห่งความงามนั้นและก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นอันตรายไม่เพียงแต่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่แก่เจ้าของความงามนั่นเองอีกด้วยพระศ า, าสดาเสด็จไปถึงบ้านมาคันธยพรามในเช้าวันหนึ่งขณะที่เขาบูชาไฟอยู่ที่ประตูบ้านเมื่อได้ทัศนาเห็นพระศ า, าสดาแล้วพราหมณ์ก็ตะลึงในความงามแห่งพระองค์ ถึงจะอุทานออกมาว่าชายผู้นี้งามจริงหนอเขาเข้าไปหาพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่าสมณะข้าพเจ้านะมองหาชายอันจะคู่ควรแก่บุตรีของข้าพระเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วแต่จะหาใครงามคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้าเสมอท่านได้ไหมขอท่านโปรดยืนอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วข้าพระเจ้าจะนาบุตรีมามอบให้ท่าน พระศาสดาสแสดงอาการดุษณนีภาพทรงเหยียบลอยพระบาทให้ปรากฏไว้ด้วยแรงอธิษฐานอันสำเร็จมาจากพระบารมีแต่บางมันแล้วเสด็จลีกไปประทับนัใต้ต้นไม้เงาคลึ้มต้นหนึ่งพราม์ต้งข่าวแก่พรหมณีและให้ตกแต่งลูกสาวให้สวยงามเพื่อนำไปมอบให้ชายผู้หนึ่งอันตนเห็นว่าคู่ควรกันแล้วพากันออกจากเรือนเมื่อไม่เห็นพระตถาคตหน้าที่เดิม พราหมณ์ก็ประหลาดใจบังเอิญพราหมณีได้เหลือเห็นรอยเท้าที่พระพุทธองค์ทรงเหยียบไว้จึงกล่าวกับพราหมณ์ผู้สามีว่าอย่าติดตามมาหาบุรุษผู้นี้เลยผู้มีรอยเท้าอย่างนี้นะ่ะเป็นผู้สละแล้วซึ่งโลกิยารมทั้งปวงพราหมณ์เอ่ยอันรุษผู้เจ้าราคะนั้นมีเท้าเว้ากลางมากคนเจ้าโทสะหนักส้นส่วนคนเจ้าโมหานั้นปลายเท้าจิกลง ส่วนรอยท้าของบุรุษผู้นี้นะ่ะเป็นผู้เพิกกิเลสได้แล้วอย่างแท้จริงพรามต่อว่าพัญญาว่าอวดรู้อวดดีทำตนเหมือนจระเข้นอนในตุ่มจึงได้พาบุตรตรีและพัญญาเที่ยวตามหาพระศ า, ศาสดามาพบข้าใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งพรามดีใจนักหนาแต่ได้ต่อว่าเป็นเชิงพว่าสมณะเนี่ยข้าพเจ้าบอกให้ท่านยืนรอที่โน้แต่หายืนคอยไม่ เหมือนในยินดีจะรับบุตรีของข้าพเจ้าสมณะบุตรีของข้าพเจ้านี้งามเลิศ ก, กว่านารีใดๆทั้งปวงในถิ่นนี้นะเป็นที่ปองหมายแห่งเศรษฐีข้าพบดีและแม้แห่งพระราชาด้วยแต่ข้าพเจ้าก็หาพอใจใครเสมอได้ท่านใหม่บัดนี้เนะี่ยข้าพเจ้าได้นํานางผู้งงามพร้อมมามอบนำเบื้องบาทของท่านแล้วขอได้โปรดรับไวเถอะและก็ครองกันฉันสามีพัญญา พรามกล่าวจบแล้วสั่งให้บุตรีถวายบังคมพระศ า, าสดาพระโลกกนธาสกยาบุตรยังคงประทับดุษณียอยู่ครู่หนึ่งพระองค์ทรงนำพึงว่าพราหม์ผู้นี้น่ะมีความหวังดีต่อเราต้องการสงเคราะเราด้วยสิ่งอันเป็นที่รักที่หงแหนที่สุดแห่งตนแต่สิ่งนี้น่ะมีความแก่ความเจ็บและก็ความตายเป็นธรรมดาเราจะปฏิการพรามณ์ผู้นี้ด้วยอมตะธรรม อเ น, นงพราหมและพราหมณีทั้งสองนี้นะ่ะมีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบระลุธรรมของเราได้เป็นกรารรอบสภาพอันไม่แก่และไม่ตายแก่เขาตั้มเรดังนี้แล้วพระตถาคตเจ้าจึงเอื้อนพระโอษฐว่าพราหมณ์ถ้าเราจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟังท่านจะพอใจฟังหรือไม่เล่าเธอสมณะข้าพเจ้าน่ะพร้อมอยู่แล้วท่านมีบุตรปัญญาอยู่แล้วหรือไง มาคันธิยาบุตรีแห่งพราหมณ์นั่งเพ่งพิษพระตถาคตเจ้าเหมือนเด็กมองดูตุ๊กตาซึ่งตนไม่เคยเห็นพร้อมๆกันนั้นมารยาแห่งสตรีซึ่งปรากฏอยู่ในเรือนร่างและนิสัยแห่งอิทธิเทพก็เริ่มฉายแวววาออกมาทางสายตาและริมพิบปากอันบางงามเต็มอิ่ม น, นั้นพระตถาคตเจ้าฉายพระเนตรดุนางมาคันธยาหน่อยหนึ่ง ทรงรู้ถึงจิตใจอันปั่นป่วนของนางแล้วตรัสว่าพรามเมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มเกศายัางดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สตรานตาเป็นที่ปรารถนาของบุรหลุดเพศผู้ยังตัดอะไรในบ่วงกา ร, รมไม่ได้แต่เราเบื่อนายในโลกียวิสัยจึงสละสมบัติบรมมจักและนางผู้จำเรือนตาออกสแสวงหามโมฆะธรรมแต่เดียวดาย เที่ยวไปอย่างไม่มีอะไรปลอดโปร่งเหมือนบุคคลที่เป็นนี่แล้วพ้นจากนี่เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคหลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและทําความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทําได้ยิ่งกว่าอยู่เป็นเวลาหกปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้แต่ตสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สงบเยือกเย็นถึงที่สุดร่วมพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์มารและทิดามารคือนางตันหานางราคาและนางอรดีได้พยายามโยั่ยวนเราด้วยวิธีปแปลกๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใหญ่ดีไม่ในที่สุดพวกนางก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาด จนมีนามกล้องโลกว่าผู้พิชิตมารรัตถาคตหยุดอยู่ครู่หนึ่งทรงขวาสายพระเนตรดูทุกไปหน้าในที่สุดพระองค์ตรัสว่าพรามเมื่อได้เห็นนางตันหานางราคาและนางอรารดีซึ่งทรงความงามเหนือสามโลกเราก็หาพอใจแต่น้อยไม่ก็ทำไมเล่า เราจะพอใจในสรีระแห่งทิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกรีดพรามเอยอย่าว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือเลยเราไม่ปราถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าดูก่อนพระดาพระอ น, นุ์เล่าต่อไปพระธรรมหลักตอนสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปรี่ยนมงบนใบหน้าของบุตรีพราม นางรู้สึกร้อนผ่าไปหมดทั้งร่างสำหรับสตรีสาวอะไรล่ะจะเป็นเรื่องเจ็บปวดยิ่งไปกว่าการเสนอตัวให้ชายแล้วถูกเขาเขียทิ้งอย่างไม่ใยดีดังนั้นในตาซึ่งเคยหวานเยิ้งของนางจึงถูกเคี่ยวให้เหือดแห้งไปด้วยไฟโทสัใบหน้าซึ่งเคยถูกชมว่า ง, งามเหมือนจันเพนนั้นปัดบันนี้ได้ถูกเมฆคือความโกรธเคลื่อนเข้ามาบดบังเสียแล้ว นางผูกใจเจ็บในพระศาสดาสุดประมาณพระตถาคตเจ้าสังเกตเห็นกิริยาอาการของนางโดยตลอดแต่หาสนพระไทยอันใดไม่ทรงแสดงอนุปุปพิกถาพันนาถึงเรื่องทานศีนลผลแห่งทานศีลโทษของกามและอนิสงฆ์แห่งการหลีกเร้นออกจากกามที่เรียกว่าเนคข ม, มะฟอกอัตยาสายแห่งพรามและพรามณี ฉันทรงเห็นว่ามีจิตอ่อนควรแก่พระธรรมเทศนาชั้นสูงแล้วพระภูมิพระภาคก็ทรงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนาคืออริยสัจสี่ประหนึ่งช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้สะอาดแล้วนำมาย้อมสีที่ตนต้องการพระธรรมเทศนาจบลงด้วยการสาเร็จมรรคผลของพราหมณ์และพราหมณีพระพุทธองค์เสด็จลกจากอาสนะ ทิ้งมาคันธยาขามไว้เบื้องหลังมุ่งสู่ชนบทอื่นเพื่อโปรดเวนยสัตว์ต่อไป